เรื่องพูดตามคำบอกสามเรื่องห5 0สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังเข้าไปหมู่บ้านได้บอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านครับผมจะไปบอกตระกูลอุปถากให้ตามที่ท่านสั่งครั้นเธอไปถึงจึงให้เขานำผ้ามาหนึ่งผืนแล้วใช้เสียเองภิกษุผู้สั่งรู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระ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 จะเข้าไปหมู่บ้านภิกษุอีกรูปหนึ่งได้สั่งท่านว่าท่านครับท่านช่วยบอกตระกูลอุปถากของผมตามที่ผมสั่งด้วยภิกษุนั้นครั้นไปแล้วจึงให้ตระกูลอุปถากนําผ้ามาหนึ่งคู่ตนเองใช้หนึ่งผืนถวายภิกษุผู้สั่งนั้นหนึ่งผืนภิกษุผู้สั่งรู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระ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 ได้บอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าท่านผมจะไปบอกตระกูลอุปถากของท่านตามที่ท่านสั่งภิกษุแม้รูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านช่วยบอกตามที่ผมสั่งภิกษุนั้นพลันไปถึงจึงให้ตระกูลอุปถากนำเนยใสหนึ่งอาระหะกะน้ำอ้อยงบหนึ่งตุละข้าวสารหนึ่งโทนะมาแล้วฉันเสียเองภิกษุผู้สั่งรู้เข้าจึงปล่าหาภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัดปาราชิกอันหนึง่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกล่าวว่าผมจะบอกตามที่สั่งและไม่พึงกล่าวว่าท่านจงบอกตามที่สั่งภิกษุใดพึงกล่าวต้องอบัติทุก ก, กวงเล็บเรื่องที่แปป